ที่แค่นั้นก็สมควรนะพอได้ทำให้ใจของเราหยุดสักหน่อยน ะ, ะเพราะว่าการได้ <c oughs> ฟังธรรมมากก็ดีหรือจะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของเรา <c oughs> ต้องรู้จักหยุดโดยปกติเราคุนกับสิ่งที่เราทำ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 แน่นอนอย่างที่ได้ยินคือสถานที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะอาศัายหลักครูบาอาจารย์ที่มาจากสายของท่านอานจารย์พระโมทหรือของสายหลวงพ่อเทียนซึ่งเท่าที่รัต่มา ทราบาหรือเคยได้สังเกตรหรืออา่านหนังสื อ, อดูดูทั้งสองอนี่จะอาศัยหลักสติซึงเป็นถ้าจริงก็เป็นหลักที่กว้างกวางาที่พระพุทธเจ้าเองอ ท่านก็ให้ความสําคัญเพราะว่าเกลี้ยงลงพอช้าเองเ อ, อท่านพูดคือคนสัตคนขาดสติวินาทีก็เป็นบ้าวินาทีขาดสตินาทีนึงก็บ้านะทีน้ำขาดสตวิวันนึงก็บ้าวันนึ ง, นงเลยาการที่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 ก็จะมีมีเหตุผลเพียบพร้อมอที่จะถือว่าเบนเล่อแล้วก็สมควรที่จะมีความคิดความรู้สึกอย่างนั้นจะเบนความชอบใจชอบใจรักพอใจอก็จะมีเหตุผลพร้อมและมันสมควรนะอะืหน้ามีอย่างนั้น จะมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นออมีความเกลียดมีความล้ำคาญก็เหตุผลมันมาพร้อมนะออมาบอกเราสมควรละนะ เ, เ, เขานนาเกลียดมากนะเลยเขาไม่ควรทำอย่างนั้นก็ไม่ออออมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ออสมควรที่จะที่จะมีความ รู้สึกที่ที่เครียดที่ที่ทเกลียดที่ชัางแต่มันไม่สังเกตดูว่าจะมีความรักก็ดีมีความชัางก็ดีมันทุกทางนั้นนะ่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ไม่สังเกตเนี่ยมีแต่ตามหลังว่าแน่ทำไม ทำให้ฉันมันทุกอย่างนี้แหละแต่มันไม่มันไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้สร้าง <c oughs> ไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้หลง <c oughs> อย่างที่หลวงพ่อชาได้ยกตัวยอย่างาสมมติสมมติว่ามีคนสคักคนหนึ่งเขามี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 โลกเราก็เช่นเดียวกันน เ, เราอยู่ในโลกและอา่อามันที่เราทุกข์อยู่มันเพราะคนนั่นพูดอย่างนี้เพราะโลกเขาเติเป็นอย่างนี้มันวุ่นวายอย่างนี้มันไม่ได้ตามที่ต้องตั้งใจอย่างนี้อา่ามันไม่ดูมันดูภายนอกทั้งหมดนะมันไม่ดูตัวเองเลยสัตติมีนาที่ที่จะช่วยวกกลับให้เราดูตัวเองให้ได้อา่าให้แหง อารมณ์ <eye S 2> <are Spain. S 1> คือส mm ักแต่ว uh ่าอารมณ์ความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกกายที่มีหน <c ười> ้าที่ในการรับรู้ก็สักแต่ว่ากายจิตที่มีหน้าที่ในการรับรู้เข็ดนึกก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าการเคลื่อนไหว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 ที่ประพุทธเจ้าไดา้คือได้ยกตัวอย่าง <c oughs> สัตว์ท่านทๆยกยกตัวอย่างสมบุติว่ามีสัตว์หกชนิดจะแบ น, เ ป, นเป็นลิงเป็นนกเป็นเปนหมาเป็นห ม, า, นหมาจิงจอก เ, อเป็น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 จร ะ, ะเข้ก็อยากจะลงน้ํางูก็อยากจะหายจะหา จ, จอมปลวกเล้งก็อยากจะเข้าป่าหมาจิงจอกก็อยากจะเขา้าเข้าป่าช้าหมาสุนัขธรรมดาก็อยากจะเข้าบ้านลื ม, มอะไรละน ะ, ะงูน ะ, ะงูเล้งเล้งก็อยากอยากอยากขึ้นต้นไม้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 อ น, น, นุปันสัตย์การกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นการตั้งสัตย์ไว้ที่กายหรือการตั้งสัตยที่ไว้ที่อิริยาบถขั้งเราก็เป็นเป็นสัตย์ตั้งไว้ที่กายเป็นสัตย์ที่ตั้งไว้ที่ความรู้สึกต่ อ, <c oughs> อร่างกายเป็นธาตุสเท่านั้นก็เป็นสัตย์ทอยู่ที่กายก็แล้วแต่หรือสัติ์่ตั้งไว้ที่กายในลักษณะที่เป็น เป็นแบบอสุปกรรมฐาน32ประการหรือให้มันง่ายๆเกสารลมานักดันทัทชโชตแผมขนแรปฝันหนังให้มันให้มันอยู่ที่กายของเราเมื่อสัตติอยู่ที่กายคือถึงมีความรู้สึกก็ดีค ว, ความการสัมผัสก็ ด, ดี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 เรื่องอารมณ์ในจิตใจของเราให้มีสติไว้ที่กายก่อนทำให้สติมีลักเพราะว่าใ จ, จของเรามันไห้ใจไม่ค่อยได้หรอกมันมันลอกลวงเราอยู่ตลอดในเรากลับมาให้มีสติกั้นกลองไว้ก่อนสติตั้งปักลักไว้ก่อนให้อยู่ที่กายทำให้มี สัติของเราได้ต่อเนื่องอเมื่อสัตติของเราต่อเนื่องและหนักแน่นมันก็คอยพิจารณาที่จิตก็ได้แหละแต่ว่าใดเราให้สัตติมั่นคงไว้ก่อนแล้วก็คือนอกจากเวลที่เรา <c oughs> เวลเรานั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมคือนั่นเป็นเวลาส่วนน้อย ในชีวิตของเราวันหนึ่งไม่รู้ใจมากน้อยแค่ไหนหรือวันวันหนึ่งจะได้ได้ได้สเสเลยลมีหรือเปล่า แ, แต่ว่าเราพยายามที่จะให้มีการตั้งสติไว้ในความรู้สึกที่ร่างกายเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะลุกจะนั่งจง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 เราก็ต้องเดินไปนี่เดินไปนั้นอใช่ไหมก็คิดดูให้สังเกต ด, ดูเวลเราจะลุกขึ้นเดินไปไหนจิตของเราส ต, ติของเราอยู่กับงานเดินไหนเลยมันเริ่มไปที่ปลายทางที่เราเร า, เรากำหนดจะไปมากน้อยแค่ไหนมันก็ก็เป็นส่วนที่ก็น่าสังเกตหรือ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 ย, ยิ่งยิ่งยิ่งทํางานด้านคอมพิวเตอร์แล้วคือจิตมันพุ่งอยู่ที่จอกายก็ไม่ได้สังเกตอแล้วก็นานๆไปทําไมมันปวดเมื่อยทำไ ม, มปวดที่คอนี้บ้างหรือปวดที่ซ่อหลังบ้างเพราะว่าเราไม่ได้มีสติอยู่เราได้เราเราได้แต่เราแต่แต่พุ่งอยู่ข้างนอก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 วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยว่าละมันเป็นเป็นเรามีการกระทำโดยปกติไม่ได้ไม่ได้สังเกตยว่าจายมันก็มันมันก็จะเพอร์ฝันไปเรื่อยๆวันหนึ่ง <c oughs> เรารับประทานอาหารอย่างน้อยก็คงสักสามครั้งคนไทยก็สี่ห้าหกครั้งนะ <c oughs> เถี่ยก็ได้นี่แต่นั้นแหะ แต่อย่าน้อยก็ต้องวันต่อสาครั้งเราจ่าข้องเราอยู่กับกายโดยจ่ายคำวาเราอยู่กับกับการลดชาติก็ดีการคิดนึกก็ดีหรือการพูดคุย <c oughs> เพลินอยู่ก็ดีแหละเราก็เป็นส่วนที่เราก็เป็นโอกาสที่เราสามารถฝึกให้มีสติได้ตั้งรักไว้ที่กายอย่างการ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 มันก็ก็คงมีความดีใจเพราะสมควรอแต่ก็เคยยังขี้ไม่แซดยังกลืนไม่แซดนะคือตามันจองแล้วว่าจะเอาอะไรอีกนะจะไหม <laughs> มันไม่ตั้งหลักไว้เนะีอยมันมันออกไปนอกแล้วนะมันกํำลังของของความอยากขอ ง, ของต้องการของพลืพร้ อ, อ ม, มยินดีอะจะเรียกว่ามเมาก็ว่าได้นะ <laughs> ในการตั้งรักไว้ปักลักไว้ที่ร่างกายเอ่อเรานั่งเรามีความสบายไหมเราเมืนเคียวอาหารเป็นยังไงเทา่คือมันมันมันชะลอสักหน่อยชะลออารมณ์แทนที่จะอย่างถูกฉัดลากไปเลยพุ่งไปในอารมณ์และความรู้สึกมันทำให้เพราะโดยปกติเราทำาอะไรถ้าถ้าหากว่าสัตย์ที่คองเรา มีความต่อเนื่องอพอเราทำเสร็จจะไม่เหนื่อยจะมีความชื่นใจนั้นเป็นส่วนที่ก็เป็นรักธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตใจถ้าหากว่าเราเรามีสติอย่างต่อเนื่องทอํามะลายจ่ายของเรามีความสัมรวมทำเสร็จแล้วเราจะมีความชื่นใจเลยส่วนที่การที่ฝึกให้มี สัตติต่อเนื่องในวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ยิง่งเราเฉพาะการตั้งรักไว้ที่ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ช่วยไ ด, ได้ได้มากในทำให้เราสามารถที่จะนีว่าทำให้ใ ห, ให้สัตติมีได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะว่ า, าแม้แต่เราดูํำสัก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 เราเป็นผู้ทาให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เราเป็นผู้ภาวนาฝึกตนให้มีความจำนานเลยนียว่ารักสติก็เป็นรักที่ที่สำคัญมากนกะฝึกให้ให้มีสติแต่ว่าถ้าเราเพียงแต่พูดว่าเออเราต้องมีสติอยู่มันค่อนข้างจะลอยลอยเลยเราก็ต้องมีวิธีการสักหน่อย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 ในการทำให้จิตได้เกิดความสงบได้อะไรเวลาเรานั่งสมาธาิก็เช่นเดียวกันเราเราตั้งสติไว้ที่กายก่อนแนะล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราอยู่ตลอดอคือเราได้ไหนะคือตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก แล้วเราก็จับความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเป็นเป็นฐานเราก็ได้สังเกตดูว่าลมหายใจเข้าเือมันยาวหรือสัน้นมันเบาหรือแรงก็ดูแค่นี้แหละดูจังหวะขลองลมดูจังหวะคองลมเข้าลมออกดูจังหวะคองรู้สึก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 เพราะว่าการที่ปฏิบัติหรือภาวนาก็ต้องอาศัยฐานของความสบายเช่นเดียวกัน ก, ก็ต้องรู้จักทำให้ความสบายเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเพราะว่าเล่าทําไปไม่สบายอดึดอาจเจ็บปวดลำคาญ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 อาศัยความคือความสบายอาศัยความาคืออ า, ายความสุขอย่างหนึ่งคือที่จะทำให้เกิดความความแนบแน่นภายในจิตใจของเร า, าคืออันนี้ไม่ไม่ไดที่เราพูดถึงอาศัยความสุข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 จะอาศัยจิตที่มีการสํำนึกต่ อ, อสีศีลของตัวเองอก็จะมีความรู้สึกเวลาระลึกถึงสํำนึกถึงศีลที่ดีงามของเราเราเห็นว่าเออท่านเราเราอยู่อย่างโพที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใคร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 ในธรรม ะ, อะของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในธรรมะคำสังสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะมีความรู้สึกคมันมันมันีเอมใจนะมันมีความสุขใจนะมันมันมีความเอยมใจมีความปราโมน้นอาศัยศรัทธาหรือเราพิจารณาในลักธรรม โดยโยนิโสมานสิการจ่ายค้องเราได้ใคร่ควรโดยลักธรรมใครควรโดยรักธรรมแล้วอยู่ใน ค, คิดพิจารณาในรักในในคล่องธรรมจะเป็นเหตุให้เกิดความความเอียมใจขึ้นมามันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมชาติของจิตในนี้พระพุทธเจ้าจะสอนอแล้วแต่จะสาเหตุไหนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความประโมทความเอียมใจ แ้วก็คือถ้าแจากนั้นไปคือแต่ละสูตรก็จะเขา้ากระบวนการเช่นอันเดียวกันนะว่าพอได้ความประโมดเกิดขึ้นแล้วความเอ็มใจก็เป็นสาเหตุที่ได้เกิดปีติปีติก็มันก็แปลนความมันกความเอ็มใจตึงตันใจคือความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดขึ้นภายในใจละ ก็เป็นเป็นความรู้สึกธรรมชาติของจิตเวลาไ ด, ได้ตังอยู่ในรักธรรมก็ได้เกิดความความป่าโมนะ์เกิดปีติโดยปีติเป็นเป็นผัสใก็เป็นเหตุให้เกิดปัสติปัสติคือความสงบกายสบายกายสบายใจเป็นปัสติรจะมีความรู้สึก กายก็คลี่คลายจิตก็คลี่คลายมันก็สบายโดยภาสติเป็นเป็นผัสใก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขในลักษณะนี้เราก็ว่าเออก็มีฐานในธรรมะไม่ใช่ความสุขที่พลด์พลืนตามตามโลกภายนอกนะได้เป็นความสุขที่มีธรรมะรองรับอยู่แล้ว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 ความสุมีความเอ็นใจมีความพอใจมีความคลี่คลาแล้วคือมันพร้อมที่จะมีความแนบแน่นอยู่กับสิ่งที่ทําำจะอยู่กับลมหายใจเข้าจะอยู่กับาการพิจารณาอารมณ์อมันก็ได้ทางนั้นนะเพราะว่าอย่าว่ามันเย็ดมันสบายมันมีความสุขแนละ้วมันเห็นความสําคัญในสิ่งที่กําลังทำอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่บังคับไม่ฝืนนะนะอ้ว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 หรือเอ่อเอ่อคืว่านอกทางของพระพุทธเจ้า อ, าเอา่เป็นสิ่งที่เราต้องทองอาศาัยอยู่เพราะว่าธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนั้นอืมเลย <c oughs> แต่ว่าต้องต้องม่ข้อแม้หมหนกันกนะันคือมันต้องมีลักธรรมรับรองรับอยู่ อะไรไม่เป็นส่วนที่เราเราต้องอคอยคอยพิจารณาคอยสังเกตแล้วก็คอยสนับสนุนเมื่อสติต่อเนื่องอย่างนั้นสมาธิคือเพราะว่าสมาธิเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยสติที่ต่อเนื่องสติต่อเนื่องได้ก็เพราะว่าสนใจและพอใจกับสิ่งที่กําลังทำํำ ทาร่าคือบางที่ยิ่งบังคับคือมันได้ผลในในเวลาบางครั้งแต่ว่าในการปฏิบัติจริงๆเราต้องนึกถึงระยะเวลายาวชีวิตนี้คือาการปฏิบัติธรรมการยู่กับธรรมะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทำชั่วคราวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำเป็นครั้งคราว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 เราก็ได้ทาให้ธรรมะอยู่ในจิตใจของเร า, าไม่ใช่การมีธรรมะอยู่ในจิตใจของเราทําให้เราไม่สามารถดีใจอยู่ในโลกได้เลยแต่ว่าคือทำให้เราอยู่ในโลกโดยไม่ทุกจ์โเกินไปแล้ก็ไม่ให้คนอื่นทุก์ด้วยเนะี่ยมันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยักงมากที่สุดเลยเป็นส่วนที่ น่า <c oughs> สนใจออแต่มันก็เราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราเราปรารถนาเอามันก็ต้องมีเหตุะอืเหตุก็อยู่ที่ไง <c oughs> าะที่สติะอืแต่ก็แต่ว่าสติลอยลอยแล้วมันก็มันก็ต้องต้องมามาคิดอีกทีแล้วให้ทำยังไงจึงจะได้ให้มีหลักการที่ ท, ที่ที่ตรงกรับธรรมะ อย่างที่คำสอนของพระพุทธเจ้าแง่หนึ่งเรื่องหนึ่งที่คือสำหรับอาตมาเอง <c oughs> ก็รู้สึกว่ามีความคือมีความประทับใจมาแต่ไหนแต่ลานะ <c oughs> ว่าความวิเศษของคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ มีวิธีการอยู่ตลอดเพราะว่าอย่างหลายคนก็มักจะถามในฐานะนักธรมบัณฑ์เ็นฟร์ลอง เ, เ, เคยนับถือาศาสนาคริสต์ไหมเรามีความแตกต่างกับศาสนาคริสต์กับาศาบสาศนาพุทธคำสอนเรามักจะเน่นอยู่ที่วิธีการคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอาศัย วิธีการยี่ตลอดนะคือจะมีวิธีปฏิบัติวิธีคิดวิธีวางจิตใจวิธีตั้งทัศนะในโลกนะทัศนะนะะต่อตัวเองคือจะมีวิธีการทั้งหมดตลอดนะเป็นเรื่องที่ที่น่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าอย่งพระบุตรเจ้าได้ยกด้วยอย่างคือมีคนคนหนึ่งเข้าตองการนม แ้องการ น, นมแลเขาก็เขาก็คอยศึกษาค่อยค้นคว้าหาหลักแล้วดูอ้าวมันนมมันมาจากวัวไอ้ mm hmm. เขาก็ก็ไปไปหาวัวเ้วก็ไปไปกดไปบีบไปไปไ ป, ไปนวดข่าว mm hmm. มันก็ไม่ได้นวดไม่ได้นมสักทีเลย <laughs> เออมันมันเกือบเพราะว่าได้ได้ได้ได้ทึ่งตัววัวแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้โน้มสักทีเพราะว่าโมูดเ่รูปขรัมอยู่ที่ที่เขามันไหนนี้มันอแต่ถามไปนวดที่โน้มมันเออมันได้นะมันได้ได้โน้มด้วยนะนี่ก็เช่นเดียวกันอธรรมะของพระพุทธเจ้ามีไว้มีคําสอนก็ดีมีอ่